กับวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2537 เป็นการบรรยาย 8 ดวงตาม 3 ของ เอกสารชุดที่ 21 นะครับหัวข้อว่าแยกประเภทต่อประเภท ในส่วนที่สุดก็แบ่งโดยอสังขาริกที่แปล ก็รวมแล้วเป็น 8 ดวงใน 8 ดวงนี้ท่านหักว่าเราจะกล่าวกันเป็นกรณีนะครับเป็นกรณีหมายถึงเอ่ย อ่าในแง่ของญาณสัมยุตเนี่ยอ่ะไปตรวจดูในหลักปัญญาปัญญาเป็นได้ร้อยชนิดในคือไอ้ระดับปัญญาในเช่นปัญญาใน <c oughs> ในตรัสญาณ 16 นั้นปรากฏว่าญาณที่ 1, 1> ถึงถึงไป 4 ดวงผลญาณ พอถึงปัจเวกขณะญาณซึ่งบรรยายย้อนพิจารณานั้นก็เป็นหน้าที่ว่าลักษณะของปัญญาเนี่ย สำหรับมหากุศลแต่ว่าที่จะยกให้ฟังเป็นกรณีเป็นส่วนส่วนไปนี้ก็ กัปปินะกับภรรยาจริงๆต้องบอกว่าพระเจ้ากัปปินะและพระมเหสีซึ่งคือเลื่อมใสในการออกบวชสั่งสมบารมี อนาจารราชวาถ้าใครได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นใน สละราชสมบัติออกบวชในศาสนาอย่างนี้อนุมซึ่งเดี๋ยวนี้ในอินเดียก็ยัง เมื่อออกบวชแล้วก็ได้มาพบพระพุทธกิจแล้วก็ได้สดับทั้ง 2 องค์เลยครับทั้ง 2 องค์เลยคือทั้งเอ่อพระเจ้า พิจารณาถึงสภาวะจิตว่าความศรัทธาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยังไม่รู้พระ เพราะว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นจะรู้ได้ไงจะมีพุทธเจ้าเกิดถึงขนาดว่าไปตั้งหน้าต่างๆคอย <c oughs> แต่ว่าในที่นี้โกลาหลหมายเทวดาบอกกล่าวลงมากระทั่ง สมัยจึงพูดถึงพระพุทธเจ้าถึงการเกิดขึ้นของพระที่พูดถึงนั้นได้ไปสัมผัสกับๆคนที่ได้ตั้งประกอบอบรมเนี่ยทรงเสด็จลง จะมาเป็นภาษาที่บุตรพูดที่จะมาเป็นพระโมกขลานะผู้ที่จะมาเป็นใครต่อใครนี้ก็ลงมามากันเป็นเป็นชุดๆนะเพื่อ <c oughs> ยังไม่ใช่ฌานมรรคจิตแล้วก็ไม่ใช่มรรคจิตไม่ใช่ผลจิต ยังไม่เกิดปัญญาในนั้นแต่อาจจะมีปัญญาวิญญุตกรรมเป็นเรื่องของของของเดิมนะฮะเป็นเรื่องของเดิมแต่ว่าญาณสัมปยุตใน แล้วก็โดยหวังว่าจะได้มีโอกาสก็ได้ก็เสด็จไปว่าจะได้มีโอกาสบวช กับพระองค์ทั้ง 2 นี้ถ้าถามว่าเป็นแน่ๆเลยเพราะว่าท่านทั้ง ถึงความเป็นอสังฆาริกะปฏิสนธิตามๆทีนี้เมื่อได้ปรับปฏิบัติ บ้ ard บทสมาธศรศร์ศร์ศรศร์ศรศรเมื่อรักษาศ S. นศของศร์ศร์ศ量ศนรักรษ TVs อัศโดย ศsst ศศรศศรร a ศรศรศรศรศรศรศรศรศร çocuk ศศศรศรศรศรศริ อุบัตินาและมรรคผลทีนี้คนที่มา 227 เพื่อแสวงหาลาภกาละอันนี้ก็ ไอ้ศีลผิดกว่ามุ่งหมายที่เรียกเรียกว่าถ้าบวชแล้วก็แหวะ ทุกคนไปเลยทีเดียวเพราะเขาไม่ได้แสวงหาอย่างอื่นแต่มาอย่างพระเจ้ากับบิณะเนี่ยท่านจะมาบวชเพื่อร่ํารวยทําไมก็ต้องการว่าจะ เมื่อกล่าวถึงลึกที่สุดนะกล่าวยิ่งยิ่งขึ้นไปเอ่อกรณี ในกุศลธรรมหรือความเจริญในกุศลธรรมหรือความก้าวขึ้นไปในกุศลธรรม นั่นบวชก่อนเลยครับบวชก่อนเลยแล้วก็บวชนั้นที่ครองแคว้นมคต นั่นถ้าเราดูสภาวะจิตเนี่ยเราก็เห็นชัดเลยว่าเมื่อออกบวชเนี่ยยังยังไม่นะที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยยัง จึงได้ทราบทราบว่าผู้ที่นั่งอยู่ตรงหน้าของใจหรือเสียใจดีใจเป็นพุทธเจ้าดีใจหรือเสียใจดีใจใช่มั้ยดีใจความทราบอย่างนี้เรียกว่า ความศรัทธานะความศรัทธาของกับไกลกันตามเป็นหลักของทาง ยกข้อปราลภอย่างอื่นที่ไม่ได้เกี่ยว ศรัทธาอย่างนี้เป็นศรัทธาญาณสัมปยุต ศรัทธาอย่างที่เกิดจากธรรม 2 สายนี้เป็นของที่มั่นคงถ้าศรัทธาอย่างอื่นแล้วเป็นของเปลาะบางแล้วก็ใครที่ถูกศรัทธาตัวเราๆเป็นเป็น ใครก็ได้เห็นเราอาจจะสถามุดซึ่งกันเองแล้วกันแล้วก็เกิดไปเห็นเค้าประพฤติเสีย ไอ้นี้ปัจจัยเกลี้ยงเลยไม่มีเหลือเลยนี่ก็ปรากฏเป็นข้อพิษในแง่ของธรรมะอันหนึ่งเพราะ มากน้อยแค่ไหนนั้นก็ตามกําลังความเข้าถึงของคน 2 <c oughs> <c oughs> คนที่คล้ายกันคล้าย ลักษณะๆอย่างนี้น่ะเป็นเรื่องที่เรารู้อีกอยู่แล้วเหมือนที่ตามพระพุทธเจ้าท่านออกบวชก็ตามคอยตามแต่หวังว่าจะเกิด คนจ้องเมยตาก็เลิกไปด้วยความกระจิศรัทธาเนี่ยว่าศรัทธาหายเลยนะศรัทธาไม่มีแต่ว่าศรัทธาที่หาย <c oughs> ความที่ควรจะเป็นอย่างที่เป็นจวัคคีเข้าใจและตั้งใจความจริงก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องเพียงอะไรเช่นว่าท่านไปเถวอาหารเนี่ยใช่มั้ยฮะก็ๆแค่ไปเถวอาหารก็ไม่ใช่ไปเถวก็เย็นเนี่ยไม่ได้ไปกินก็ แล้วติตัวเองไม่ยังอดบ้างตัวเองกินได้กี่เท่าปล่อยก็กลับว่าเป็นผิดซี้ทีนี้เมื่อหมดอยู่ไม่ปฏิบัติไม่เอา เนิ่นจะวรรคทีเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเกิดมหากุศลจิตขึ้นหรือเปล่านะไอ้ตอนไม่เห็นน่ะเตรียมจะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าอากาปิยาต่างๆๆเนี่ย พอเดิมเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้สัญญาที่วางไว้ต่อ แล้วก็มีกําลังอ่อนเพราะว่ามีแรงกวนของความลังเลสงสัยความไม่เข้าใจเรียบร้อยว่า นะศรัทธาเริ่มมีกำลังขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้แสดงธรรมยังไม่ได้ ปัญญาเกิดเลยใช่มั้ยอปัญญาหมายถึงปัญญาที่ เป็นแต่วคีที่เหลืออีก 4 นั้นเมื่อได้ฟังธรรมแล้วได้เกิดวิปัสสนาญาณแต่ว่า ดิโนพอเกิดอย่างที่ยืนตามว่าต้องแน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ได้พบธรรมครั้งแรกเนี่ยไม่สมแต่ว่าสมณัตนั้น แลว่าไงนะอัญญาสิวตปกโคนธัญญูจงเป็นอุทานด้วยมหาอิริยาไม่ใช่มหาสตน <c oughs> ระบุขึ้นไปถึงเทวโลกถึงโลกมโนโลกพากันตื่นที่ปรากฏในพระๆกัน <c oughs> <c oughs> คล้ายๆกับพระปกุตตาสีคล้ายๆกับพระมหากปินะโสกีภัพภาหิยะอรุเจริยะเราดูพุทธิกรรมแล้วก็ดูเนี่ยบวชเป็นนิกาฏิจิปลอก แล้วก็มาบอกว่าพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วเราเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆเราน่ะไม่ใช่พุทธเจ้าจริงหรอกไม่ควรจะประพฤติหลอกชาวบ้านเค้าด้วยความวางใจอย่างนี้ ตัวเองก็เป็นเป็นนักรบอยู่แล้วตรงนี้สงสัยมั้ยว่าทําไมเพื่อนของท่านพระภาหิยะซึ่งก็เป็น จะว่าไงคือธรรมะเนี่ยมันมีฟังๆดูเหมือนขัดไอ้แล้วก็จะ เสถึงกว่าที่จะบรรลุโดยไม่พบพระพุทธเจ้างั้นทั้งรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปถึงจะบรรลุนี่ก็ไม่ ปุตตุปถากพระศีลอาเนี่ยครับรับรองครับปฏิบัติไปเนี่ยไม่บรรลุหรอกถ้าจะบรรลุ อันนี้ก็พูดแล้วเหมือนเล่นแต่ว่าเป็นเรื่องจริงอย่างหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องจริงอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเพื่อนก็ก็มันไม่ไม่มันไม่ว่ามาบอกเนี่ยเราดู เป็นโสมนัสอันนี้ถึงแม้ว่าตัวท่านเองจะไม่ได้ตั้งความหวังรอคอยมาก่อนดูไม่ได้ตั้งความหวังรอคอย ดีใจเกิดโลมนัสก็เดินทางมาเนี่ยเอาพลังที่ไหนมาเดินทางเนี่ยท่านเค้าเรียกพบพระพุทธเจ้าตีมุไปพบพระพุทธเจ้าแล้วระหว่างนิยานธรรมิชยังไม่มีนะเมื่อ เห็นว่าไม่สามารถที่จะพูดให้เกิดปัญญาโดยแต่ในขั้นฟังเนี่ยมันดีพอจะแต่ขั้นบรรลุบรรลุไม่ได้ 2 ครั้ง 3 ครั้งครั้งที่ 3 จึงได้แสดงธรรมเมื่อแสดงธรรมแล้วอสุตะมยปัญญา ปายะบรรลุเป็นเป็นอะไรครับเป็นเจ๊ะอรหันต์ซึ่งไม่เสด็จคล้อยเนี่ยเดินคล้อยไป ท่านปายะอรุเจริยะตายจึงได้ทรงสั่งให้ท่านแล้วก็เอามาบรรจุท่านไว้วิธีที่ว่ามานี่ล้วนแล้วแต่ที่เป็นโสมนัส การเกิดจิตแต่ละดวงแต่ละชนิดนั้นจะตลับกันเหมือนอย่างเรานั่งฟังธรรมะอยู่เนี่ยก็เป็นจริงผม อ้างถึงเรื่องแล้วท่านลองคิดในแง่คิดดูนะถือที่จะเป็นคนยากจนทางบ้าน วันนั้นก็เป็นเวรไปวัดแค่จะมาเวรคงไม่ถูกนะก็ ที่ต่อสู้ไปต่อสู้มาปรากฏว่ามหาบุญสันเจตนาฐานนั้นมีกําลังออกก็บริจาคไม่ได้เนี่ยสภาวะจิต นะอปารา الشيء นั้นนี้อย่างเป็นตบมนัสเรารู้ได้ตามสมณัสที่จัดเจตเพราะ 3 กล่าวถ้อยคําที่แสดงถึงความดีใจอย่างเป็น อสังขาริกหรือว่าสังขาริกเป็นอะไรดีเป็นอสังขาริกไม่ได้มีใครมาชักชวนว่าได้มีใครมาเกลี้ยใบปรากฏก็ไม่มีถามคิดที่เกี่ยวกับการฟังธรรมจะผูก บรรยากาศของกุศลหลายแบบธรรมอย่างนี้เป็นธรรมในบรรยากาศของการไม่รู้สักเรื่องเนี่ยไม่เข้าหรือไอ้ โดยความเข้าใจในธรรมคือเรื่องบรรยากาศอย่างในแล้วก็ทําไมฟังกันฟังกันฟังเป็นคืนเพราะว่าพระพุทธเจ้าฟังทุกวันทุกเถา นั้นเวลาท่านไปที่ไหนเนี่ยท่านจะให้บริการโยมเต็มที่นะโยมก็ใช้บริการพระเต็มที่เหมือนกันก็แสดงธรรม คนที่ไปอยู่ที่นั่นยังไปอยากยังกรุงเทพฯแล้วเนี่ยไปไปอยู่ที่นั่นไอ้เจ้าบ้านเค้าก็แจ่มใสเค้าทั้งดูกรุงเทพฯฟังตำมันทั้งนั้นอื่นเค้าก็ไม่เป็นไรๆองค์เดียว แล้วเวลาท่านแสดงธรรมเนี่ยก็ท่านจะบอกบรรยากาศไว้ว่าพระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งตรงกลาง ังอยู่เบื้องหลังทางทิศนั้นบางบางทิศมีบ้างก็โดยมากรู้ที่เจ้าจะทรงประทับหันไปทางทิศตะวันออกก็ก็เข้าใจว่าการสร้างอาคารอย่างสมัยก่อนก็นิยมหันไปทางทิศตะวันออกอย่าง เอ่ออันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งเรามีใช้ในแง่จิตฉะนั้นอีกเรื่อง ฟังแล้วเราว่าไม่ดีเลยใช่มั้ยรู้ไม่ดีเลยแล้วการเนี่ยเป็นบัญญาลหรือไม่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อยากเป็นพระโสดาบันด้วยพระโสดาบันนั้นเป็นผู้ที่มีศรัทธาๆเพราะ การให้ทานของพระโสดาบันนั้นจะเป็นอสังฆาริกเป็นๆถึงจะไม่เป็นโสดาบันคน <c oughs> มันทําให้ความเป็นต่างกันลึกหลายตัวเลยครับแสดง ธรรมะเองก็เป็นไปตามกระบวนอ่ะแต่เรื่องแปลกๆนี่เหมือนของโอกาสเป็นญาณสัมปยุตนั้นอะไรเพราะพระ <c oughs> <c oughs> ไม่สงสัยไม่สงสัยในเรื่องชาตินี้ด้านหน้าไม่สงสัยในๆๆเนี่ย อ่านใจอ่านความรู้สึกอ่านอารมณ์ออกนะมัน <c oughs> เป็นเกิดในระดับปัญญาขั้นไหนเกิดนั้นเกิดในระดับปัญญาขั้นไหนนะปัญญาในขั้นระดับของบุญญา ตนโสมนัสยานนสัมปยุตอสังขาริกในกรณีของความเป็นทานกุศลของเอ่อของตัวเองคนมัน 2 ตัวพูด 2 ตัวไปอีกกลุ่มนึง อาจจะพูดแล้วก็พาดทิ้งไป <c oughs> ตัคขาคตาเจฬะนั้นเป็นผู้เลิศในทางเตโชกสิณสินะ พระฌานองค์อย่างครูอาจารย์ที่ 1 ก็องค์ 5 เหมือนกันแต่ว่าฌานคุณสมบัติโดยกรุงโดยอ้อมไม่เหมือนกันทั้งเป็น อย่างคนที่เพ่งเตโชกสินได้ฌานท่านผู้นี้จะแสดงอภินิหารที่เกี่ยวเกี่ยวกับไฟอะไรนั่นเองเหมือนพวกอยู่นี้คือทําน้องนะกับเพ่งเตโชแต่น่าจะเป็นหลักจะไปเพ่ง <c ười> เดี๋ยวคนเคยวายโหยปลายเข้าสมาธิอติผิดกระสีนี่ของไฟโหมเลยดับไม่เนี่ยการใช้ไฟให้มี 2 กรณีก่อนจุด เราไม่มีอะไรดับเราก็ใช้ลมปากดับอ่ะแต่ว่าจุดไฟก่อเตาขึ้นเป็นเชื้อแล้วก็ก็อยู่ที่ชาวกลับเร นี่ไอ้การใช้ไฟเหมือนกันถ้าเข้าในทางลึกเนี่ยไฟบางการดับไฟนั้นใช้ไฟดับก็ได้นะ ชาวบ้านก็เลยเริ่มใสเมื่อเริ่มใสแล้วก็จะเห็นชัดเลยครับว่าการนะของตำแหน่งตัวก็พอจะ เอาเหล้าเหล้ามาถวายท่านสาคตเป็นเหล้าสีอ่อนเหมือนกับว่าท่านสาคตเมาเหล้าเมาเหล้าเค้า ละพระผู้ที่ยายังไม่ทรงบรรดาศิกขาบทเรื่องนี้และท่านเองท่านก็ๆเหล่านี้ก็เค้าทําบุญท่านก็จะหลอกเนี่ย เป็นกุศลมั้ยฮะจิตเป็นกุศลมั้ยได้เป็นความปรารถนาเป็นความเห็นความเก่งกล้าสามารถของท่านเป็น อันนี้เห็นยังไม่ใช่ก็เลยมนึกว่าเอ๊ะเรา อสังฆาริกหรือสังฆาริกน่ะก็อาจจะเป็นอสังฆาริกก็ได้เป็นสังฆาริกก็ได้ที่ภายในเป็นอสังฆาริกนี่ก็เป็นกรณี เป็นญาณวิทยุนะอ่าที่มีเล่าถึงเหตุการณ์และพฤติกรรมของพระญาติของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จ เค้าเลื่อมใจหรือเปล่าก็เกิดแล้วได้บรรลุธรรมแล้วเอาธรรมะมามาโปรดพวกเราเราจะได้บรรลุตามๆคือพระพุทธบิดายังไม่เข้าใจอะไรเลยที่รับพระพุทธเจ้าเนี่ยรับเพราะข่าวจะพอเผลอบ้าง มันเหมือนอย่างที่เคยประพฤติมาสมัยก่อนนะสมัยเป็นเด็กอ่ะประพฤติไพไปด้วยอำนาจหรือความรู้สึกชั่วแล่นเหตุการณ์เฉพาะหน้าบางเสร็จตรงเนี่ยก็อาจจะเป็นกุศลอยู่ ความรู้สึกว่าเป็นลูกเป็นญาติหรืออะไรต่างๆเนี่ยยังมีอยู่มากแต่เพราะฉะนั้นคุณสมบัติที่ เกิดความกังวลเศร้าหมองว่าทําให้เสียวงเสียวงตระกูลน่ะแล้วพระพุทธเจ้าพ่อว่าเป็นทําให้ ทำตามวงท่านพูดอย่างพระพุทธเจ้าตัวอันนี้เค้าเรียกว่าเป็นอริยะ สุดๆเนี่ยมันมีสุดตรงได้หลายเรื่องเรื่องว่าท่านอธิบายวิธีดีๆว่าขอเขาเนี่ยบิณฑบาตขอก็กินท่านให้ๆอย่างเช่น คนที่ไปขอเค้ากินเนี่ยก็ในทางโลกก็ถือเป็นคน อ้อนวานเนี่ยขอแล้วไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อการล้างกิเลสๆนี่แต่พระอริยะนั้นท่านขอ คนที่เรียกว่ามีบุญคุณกับตัวเองเนี่ยทั้งที่อริยะเนี่ยท่านสามารถที่จะไปหาอย่างอื่นได้ไม่ใช่เพราะท่าน เป็นหลายอย่างจึงเป็นอาชีพที่ประเสริฐที่สุดอาชีพที่แย่ที่สุดก็คือขอทานอาชีพที่ <c oughs> ในส่วนของอุเบกขาอยากจะให้นึกถึงกรณีของพยศพยัสสะกุลบุตรแล้วมามองดู บางามีเก่าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทั้งที่เค้านอนหลับตัววุ่นอยู่คนนอนแต่ว่าไอ้คําว่าวุ่นวายใน ความสงบก็ความวุ่นก็ตามถ้าสมมุติว่าเช่นอาจจะไปเห็นของไม่จริงๆแล้วตัว ความที่อำนาจของอารัมมณัสปัจจัยก็บวุ่นวายเห็นเงินอยู่เฉยๆก็บอกอย่าเป็นนะแล้วอย่างที่เรื่องนี้วุ่นวายเอามาแล้ววุ่นทั้งที่ไอ้งานมันก็อยู่ในบัญชีเล่ม <c oughs> วุ่นวายแห่งดวงจิตจึงบอกว่าวุ่นวายหนอวุ่นวายหนอทีนี้ถ้า มากระทบหูของเราวุ่นวายมั้ยครับเราก็ไม่ว่าวุ่นวายเพราะว่าอารมณ์นั้นทํา ญาติบริพโทษไอ้นู่นไอ้เป็นเครื่องกังวลใจจริงๆแล้วใครเป็นตัวกังวลใจเราเป็นผู้กังวลตอน แล้วก็จับพัดจับหรูอันเนี่ยเป็นเหตุที่มองไม่เห็นตัว พอได้ยินคําว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหรอกเนี่ยความจริงก็ไม่ได้ ก็เกิดโสมนัสขึ้นมาเกิดโสมนัสนี้แต่ว่าไอ้ไอ้เหตุการณ์เป็นถ้าถามหรือเป็นมหากุศลนี้นี่ผมกําลังจะแบ่งเดี๋ยวจะไปนึกไอ้หลังจากเป็นมหากุศล ไม่ได้เป็นโทสะนะอันนี้เราเราต้องต้องลึกแยกให้ดีว่าที่เราบอกเป็นกุศลเราเป็น ที่สำเร็จหรือถูกดลให้เกิดขึ้นจากอำนาจบุญบารมีกับจึงทําให้เกิดความรู้ เป็นแต่เพียงเพราะสิ่งเหล่านี้ตัวชักจะไม่ต้องการไปแล้วก็เดินทางโดยบ่นคําว่าวุ่นวายหนอวุ่นวายหนอไม่ geet denn